มาเรื่องพระเรื่องเจ้ากันหน่อยท่านลูกฟังคนที่อยู่จังหวัดสมุทรสงครามหรือว่าแม่ทั่วประเทศ หลวงพ่อเนื่องโกวิทโธนี่ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ซึ่งเป็นวัดที่มีหลวงพ่อบะแหลมอาจารย์ชื่อดังๆสมัยก่อนนี้ เป็นภาหนะที่สําคัญความเงียบสงบวิถีชีวิตชาวบ้าน พอที่จะช่วยขจัดปัดเป่าทุกข์โศกโรค เป็นบุตรคนที่ 4 ของนายถมขึ้น 5 ค่ํา 3 ปีรากาครับ 10 ขวบนางตราบผู้เป็นมารดาก็ วันนั้นท่านดํารงตําแหน่งเป็นสมภารปกครองวัดบางกระพร้อม เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเนืองอีกรูปนึงหลวงพ่อเนืองเป็นปีมา การบวชนะบวชกลางคืนครับบวช 5:00 น. นโดยมี ระหว่างนั้นท่านก็ไปไปมามาวัดบางกระพร้อมเป็นประจำศึกษาวิชากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานๆกับหลวงพ่อคงพระผู้ แล้วก็ยังช่วยหลวงพ่อแช่มสอนหนังสือเป็นกรรมการสอบ เมื่อกลับมาจากมนสาธิวัตรท่านก็ได้รับการถ่าย เรียกว่าพระอาจารย์ปฏิบัติยังเช่นว่าไม่คบไม่เกี่ยวอาหารจําพวกเนื้อหมูวัวเป็ดไก่ท่านจะฉันอาหารจําพวกผัก ตามร่างกายของท่านจะไม่มี เป็นเทพเจ้าของชาวแม่กลองเวลาทางวัดมีงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2300 จากหลักฐานกุฏิแล้วก็ จนกระทั่ง 15 สิงหาคมปีพุทธศักราช 2511 แล้วก็เปลี่ยนเรียกขานชื่อ วิชาอาคมที่โด่งดังของหลวงพ่อเนื่องก็คือวิชาใบมะนาวเสก ได้มีตัวอย่างให้เห็นมากมายจนสลบไม่รู้ ได้ทราบว่าหลวงพ่อเนื่องน่ะมีใบมะนาวเสก ท่านพระครูอาถรวิริยานุวัตรว่าพระอาจารย์สุชาสุทิโรรอง จนเป็นที่รู้กันในหมู่พระเนน บรรดาญาติพี่น้องแล้วก็แม่บ้านก็ 3 ชุดชุดละ 7 ใบให้ 60 วันโยมคนนั้นไปเอ็กซเรย์มะเร็งอีกครั้งนึง เดิมรักษาโรคได้ยังเอาไปปิดแผลผี inscrevealle ค RigorŁกา ฽ัตร� 비�มันวาร์ unacceptable ท่านเฉร์วะ Lust Disease 3 ติดดาตัว pexu. ซึก ultimate. Cinemat Curem. robe marm Ball The Salvage Teil 1 ถึงมอง houses after Pike musique. Woo Giants. encontra emilys godесa khualtet a sway style. o min a ca Bolt. Thangcessors at the Associates perché free Final arabe workouts this week assumptions, wingerie fruit on the vehicle. o min a mang fait indubb ans a猛 riba bouw gram 국a uma gins. let's cut to Turkey. that we saw that the regime한 Huawei. See it now until again every action finds out ตั้งจิตด้วยความศรัทธามั่นคงนี่จะถูก มีการกล่าวหาว่าท่านปลวดอุตริมนุษยธรรมเข้าขายบอกใบ้หวยหลอกลวง อาศัยไว้ในกระดาษใส่ซองปิดผนึก คณะกรรมการก็รับการพิสูจน์ปรากฏว่างวดนั้นเลขหวยรางวัลที่ 1 ออกมาประเปิดตู้เซฟแกะผนึกซองออกมา 6 ตัวที่หลวงพ่อเนื่องเขียนไว้ก่อนหน้านี่ตรงกันเป๊ะกับเลขหวยรัฐบาลๆเรื่องนี้ หลวงพ่อเคยบอกว่าไอ้การให้หวยๆแล้วก็ต้องมีจิตศรัทธาเป็น ก็ยังมีคนวน วัดนี้ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองสะดวกห่าง 7 กิโลเมตรเสียไป 2 กิโลเมตรนะจากแม่กลองไปในวัดอยู่ แล้วก็ขึ้นไปอ่าทําความเคารพสรีระหลวงพ่อเนื่องที่ มาจุดธูปขอพรหลวงพ่ออยู่ จากกราจีประเทศปากีสถานบ้านหน้าต่างแกะสลัก แล้วท่านก็จะ